بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ล والسلام على ุ ش ر ف ا ل อ ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى ล ل ه وصحبه อ ج م ع ي ن رضيت بالله رب ัลล ا ل ฺ س ل ا م دين ัลล محمد ر س و ل ฺ สัลลัมุอะลัย კ ุมวะราะมุตุลลอฮฺวะบรักะโตขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความประณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะหุวาตาละประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกๆ ท, ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละชุโกต่อัลลอฮฺซุบฮฺานะหุวาตาละที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาเรียนกุรานด้วยกันมาหาความรู้ด้วยกัน ตอนนี้เราก็เข้าสู่เดือนรอจับแล้วนะครับนั่นหมายความว่าอีกประมาณเดือนกว่าๆเราก็จะเข้าสู่รอมฎอนประมาณกลางเดือนมีนานะครับมีนากลางกลางเดือนนี่ก็จะเข้าสู่รอมฎอนละประมาณสิบเอ็ดสิบสองมีนาประมาณนี้นะดูดูฮี้านกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำอิบาด์ดา ทำตัวดีแล้วเดือนรอจับเนี่ยไม่ได้มีอิบาราดพิเศษอะไรอไม่ได้มีถือสินอดเดือนรอจับไม่มีถ้าเราจะถือสินอดก็เป็นวันจันทร์วันพฤหาัสโดยทั่วไปแต่พอถึงเดือนหน้าก็คือเดือนชาบานเนี่ยอันเนี้ยถือสินอดเดือนชาอ่าเดือนชาบานได้เป็นซุนนะเดือนชาบานถือติดติดกันสองสามวันเลยก็ได้อเพราะส่วนใหญ่ของท่านรอซูลเนี่ยจะถือสินอด ส่วนมากในเดือนชาบาลเลยแต่ไม่ทั้งเดือนอะนะอาจจะมีเว้นบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ถือถ้าถือแบบเต็มเดือนเลยก็คือรอมฎอนเนี่ยอ่าอันนี้เราก็เนียดถือซื้ออดเดือนชาบาล น, นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะรอรอยับยังไม่มีอะไรนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาดิฮะก่อนนะครับพร้อมนะ อา عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <c oughs> الحمد لله رب العالمين อ ل ر ح م ن ا มาน ي م รฮม مالك يوم الدين อีย ا كان عبد و อีย ا كان استعين الصِّرَاطَ ا ل ْ م ُ س ْ ت <ص> َ <في> ق ِ ي م ร صِرَاطَ الَّذِينَ أ َ ن ْ عليهم ไร่ร์อัลมัَูบ عليهم ِ ولاضالٍ َ อายะที่หนึ่งยสี่นะครับว่าอิลลกีและลาหุมตาลาอิลามะอันซาลลอฮุวาอิลรอซูลนะอ่านอยู่ตอนนี้แหละอูซบิลลฮิมินัชัยนิรจม وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أ َ ن ز َ ل َ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ อ่ะดูนะสองตัวสองสาที่นะครับก็คือมาอีลามมอัลจาราโลอ่ะเห็นไหมมาหน่วงเสียงนะครับมัายาอิสแล้วก็อิฟฟาอัลจาราโลหูอย่าลืมตัวฮาข้างหลังด้วยนะ อัลลอฮและอิลรูลแะอิลละอิล ร, ลรูลแล้วก็กระดกลิ้นนะอ่าอิลันะครับเข้ามาที่ตัวรอเลยว่าอแลรูลแล้วก็กระดกลิ้นตอนหยุด น, นะอรอบนึง وإذا ِ قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل ََ الله وإلى َِ الرسول ُ ไม่ใช่อีลานเอออีลาร์เขาเรียกว่าลามชัมซียะนะครับลามมีสองประเภทเนาะอ่ามีสองประเภทนะหนึ่งลามกอมารียะอันนี้กระดกเสียงอัลแต่ถ้าลามชัมซียเนี่ยเข้าไปที่ตัวอักษรตัวนั้นเลยข้ามอะลิฟลามเข้าไปเลยเข้าไปที่ตัวรอมีอะลิฟลามอยู่ข้างหน้านะอารรอซูนเนี่ยมีอ่า เช่นอ uh, ัลรอซูลเนอีละรอซูลนะอีรอบหนึ่ง وإذا قيل لهم تعالى وإلى ما أزال ا ل, ا أ ل ه وإلى ر <ول> قالواحسبنا ما وجدنا عليه آباء أنا อีกรอบหนึ่งกลูฮส บูนามาว่าจัดนาอันนี้ไม่มีหน่วงอะไรเลยอันปกติเลยครับมานหน่วงตรงอาเบนาอ่าถ้าอ่านถ้าอ่านต่อก็นาก็ต้องยาวอั น, นนี้เราอ่านหยุดนะอ่าเอาต่อมา قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباء อ๋ออีกรอบนึงนะ أ َา ولو كان آباءهم لا يعلمون َ شيئا ولا ي ครับเดี๋ยวขออนุ ญ, ญาตตั้บซิดก่อนนะเพราะว่ามันจะต่อเนื่องกันเอ่ออัลลอฮ์บอกว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับอายะกร่อ น, น้านี้นะครับก็คือเรื่องของบาฮีรออัลลอฮ์ Allah มิได้ทรงให้มีขึ้นซึ่งบาฮีรอมีอยู่สามชนิดนะหนึ่งบาฮีรอวาลาซาอ่และกษซาอีบะแล้วก็วาซีลาแล้วก็ฮามนะทั้งหมดนี้เป็น สัตว์ที่ใช้นำมาถวายแด่ลออ่าเหมือนกับเป็นการเอามาถวายให้กับจเจว็ตเพราะตอนนั้นเนี่ยในมสัสยิดฮรอมเนี่ยย้อนกลับไปในสมัยตั้งแต่นบีเนี่ยเกิดมนะีมีมจเจว็แล้วนะมสัสยิดฮรอมนี่มีจเจว็อยู่ทั้งในและนอกเนี่ยสามรอยหกสิบกว่ารูปปั้นอยู่รอบเลยทั้งในในตัวกะบาก็มีเอาแล้วมันมาอย่งไงอะ่ะ มันมาจากคนที่ชื่อว่าอาบูหูจาอัมบินอามิราจำชื่อนี่ไว้นะไอวะเนี่ยเป็นคนที่นำนำอะไรนำการเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาถวายแกเจเวิแล้วก็นำจเจวิเข้ามาในคาบสมุทรอาหรับน บ, บีพูดเชื่อไว้แล้วก็บอกว่าไ อ, ไอคนเนี่ยเป็นคนเริ่มใช่ไหม บาปของมันนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นจาริยะถ่ายต่อไปเลยแล้วก็มันก็ลากไส้ตัวเองอยู่ในนรกอ่าเพราะเดิมทีตรงนี้ก็เป็นศาสนาของนบีบรอฮีมนั่นแหละเพราะนบีบรอฮีมก็เอานบีสมาอินมาไว้ตรงนี้ก็คือเตาฮีทร้อยเปอร์เซนตแต่ตอนหลังช่วงที่มันขาดนบีเนี่ยเริ่มคนเริ่มความรู้น้อยก็เลยมีเอาความคิดเรื่องของจวเจวตเข้ามา และแน่นอนว่ามาจากกรีกเพราะคนที่ปั้นรูปปั้นคนแรกๆเลยก็คือเทพเจ้าเนี่ยที่อยู่ในประเทศกรีกยูนานนั่นแหละเป็นแหล่งที่มาของการกลับไว้จาจเวิตแล้วก็เอาเข้ามาแล้วก็คนก็เริ่มมองว่าเป็นเรื่องศัดิสิทิ์อาจจะเอามาเครื่องไปเครื่องประดับก่อนก็ได้มาตอนแรกก็ไม่แด้เข้ามานั้นอิสลามเราเนี่ยขนาดไ อ, ไอหุ่นรูปปั้ น, นที่อยู่ในสวนน่ะอมนะ ใครไปเอาไปซื้อรูปปลามารูปหงมาแล้วมาใส่ไว้ในสวนนะ่ะบาปเอาอาจารย์ฉันไม่ได้ไปไหว้ไม่ได้กราบไหว้ก็นี่เลยมันมีชีวิตไหมล่ะรูปปั้นตัวนี้มีชีวิตไหมมันไม่มั น, มนถ้าเกิดมันเป็นรูปของมีสิ่งมีชีวิตไงแต่ถ้ามันเป็นหินที่เป็นภูเขาอะไรอีเรืองหนึ่งอ่า แล้ววันกียร์มาเอาเราจะถามว่าเอาแล้วคือทำเอามาไว้ทําไมที่บ้านทําให้มันมีชีวิตได้ไหมเอาทําไม่ได้เอายันไปกับมันเลยลงไปในนรกกับมันเลยแม้ว่าจะไม่ไปกราบไหว้มันนะแต่อย่าเอาพวกรูปปั้นพวกนี้เอามาไว้ในบ้านนะครับต้องระวังนิดนึงเนาะพวกรูปปั้นต่างๆคนละอย่างกับรูปถ่ายนะรูปถ่ายนี่ก็บาปแต่ว่าจะหนักกว่าคือรูปปั้นคําว่ารูปปั้นคืออะไรพอเวลามันมีแสงปั๊บมันเกิดอะไรขึ้นมันมีเงานั่นแหละคือรูปปั้น ถ้ามันมีเงาพุธเราฉายแฝงปั๊บมีเงาแสดงวรูปปัน้นแต่ถ้าเป็นภาพมันไม่มีเงานะ่มันคือภาพที่มันแปะเข้าไปแต่แ อ, อ, อ, อ, อ๋อไม่มีปัญหาเรื่องเด็กนะเพราะว่าถ้าหญิางอายชา ก, ก็เล่นตุ๊ ก, กตาอถ้าโตแล้วก็ระวังนิดนึง <laughs> ไม่มีควรจะเล่นแล้วไงถ้าเป็นเด็กอันเนี้ยเราอ่าไม่เป็นไรนั้นเครื่องของของการเล่นตัวกระตงกระตูนนั่นี้ไม่เกี่ยวนะครับแต่ถ้าเป็นพวก ผมเคยเห็นมันมีเป็นรูปปั้นนกเป็นรูปปั้นปลาอะไรเงี้ยเอตอต้องระวังเป็นรูปกบก็มีบางทีเป็นรูปกบนถ้ากระตาะจริงๆก็เดยกบกันนะกระตาะใช่ไหมงคกกระต๊ะกระต๊ะ <loud. S 1> ถ้าเป็นกระตาะจริงไม่เป็นไรถ้ามันเข้ามาในสวนเราไม่เป็นไรอย่าไป่รูปปั้นเออกระต๊ะกระต๊ะ ก, ก็คออกือ <laughs> กบขังคกมาเชอาภาษาภาษามลายูอ้าว ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วไอ้พวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นบาฮีรอซาอิบะเพราะอะไรเพราะนบีออกมาประกาศหมดแล้วแต่เมื่อก่อนมันมีอัลลอฮ์ก็เตือนบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับพระองค์เลยไอ้เรื่องพวกสิ่งที่เอามาบูชาเจวตต่างๆซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านนี่แหละเขาก็จะมีเงื่อนไขของเขาคลอดออกมาห้าตัวเอาเป็นถวายแก่พระเจ้าเอาไปแล้วก็ไม่กิน้วนะปล่อยให้มันเดินอะไรเนี่ยนะอ้าวต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าอีดะกีและละหุมตาเรา และเมื่อได้ถูกถามแก่พวกเขาถามเรื่องนี้แหละไอ้ที่เขาไปบูชาจเจวีนี่นะพวกเจ้าจงมาสู่สิ่งที่อัลลอ์ได้ทรงประทานมาเถิดมาสู่มาสู่วัยอิละรอซูลมาสู่ศาสนาทูต ด, ด้วยพวกเขาก็จะกล่าวว่าพวกไหนอะพวกที่บูชานะพวกนี้ก็บอกว่าการ บอกว่าไงฮัสบูนามาวะเจดนาไหลฮีอาบาอามันเป็นการเพียงพอแล้วแก่เราซึ่งเราได้พบการกระทำนี้มาจากบรรพบุรุษของเราที่เคยกระทำเอาไว้คุณคุ้นไหม <c oughs> เวลาไปสอนพวกทำบิดาอ๋ออันนี้ปู่ย่าตายายเขาทำมาต้องรักษาเอาไว้แต่ไม่ไถามเลยว่าไอ้สิ่งที่ปู่ย่าตายายทำมาเนี่ยมันตรงกับที่นบีสอนไหมล่ะเออถ้ามันตรงก็ไม่ว่าอะไร แต่ถ้ามันไม่มีมาจากปุมันไม่มีมาจากคำสอนของศาสนาอันนี้ก็ต้องมาทบทวนนะอันนี้ก็เหมือนกันคำกล่าวของของคนสมัยนู้นที่บอกว่าทำไมไม่มาละหมาดเลยล่ะมากราบไหว้เอาลอโดยตรงเลยทำไมต้องไปผ่านในพวกนี้ด้วยเขาก็บอกอ๋อเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของเรากระทำเอาไว้ต้องรักษาเออแล้วคราวนี้อัลลอ์บอกต่อว่าอวะลากาณอาบาอุฮ uh um ุมลายะละมูนะชัยอาแม้ว่า ปู่ย่าตายายของพวท่านทั้งหลายเนี่ยจะไม่เข้าใจในสิ่งที่กระทํากันนั้นหรือแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันทํามายังไงเขามีคนบอกมาอีกทีนึงและอวยละยะเตอดูนเขาก็ไม่ได้รับทางนํำด้วยไอ้สิ่งดังกล่าวคำว่าทางนําหมายถึงว่ามันมีหลักฐานตัวบทหลักฐานในการปฏิบัติหรือไม่นะคืออันนี้อญญายะเนี่ยเราใช้ได้หมดเลยนะกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางสุนนะของท่านอบีมันมีไหมล่ะ ถ้ามันมีจากหลักฐานจากการปฏิบัติที่มาจากท่านนาบีจากเหล่าซอบาแน่นอนเราทําแน่นอนแต่ถ้ามันไม่มีก็ไม่ใช่เรื่องศาสนาก็เป็นเรื่องที่คิดมนุษย์คิดขึ้นมาซึ่งแยกกันคนละยุคไม่ได้หมายความว่าปู่ย่าตายายเราจะลงนรกทั้งหมดหมายถึงเป็นมุสลิมนะแต่เขาทําอาจจะทําผิด ไอการทําผิดของเขาอาจจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการหรือศาสนาในขณะนั้นเองก็ยังไม่เรียนไม่ได้เรียนรู้เอาเล่อให้อภัยแต่ณปัจจุบันนี้เราเรียนรู้กันแล้วแล้วเรายังไม่กลับเนื้อกลับตัวไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้แหละเราจะโดนเต็เมๆนะครับมีการยกตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งที่ไปละหมาดแล้วละหมาดผิดทิศกิบละโซ น, นละไปเข้าไปในปา่าเราก็เข้าใจว่าทางนี้แหละละหมาดเรียบร้อยเลยแล้วก็วินิจฉัยแล้วมันต้องทางนี้ละหมาดไปสองสามวัตตูแล้ว ปรากฏว่ามีคนชาวบ้านแถวนั้นเดินมาบอกว่าเอ้ยอย่าหันทางนี้นะทางนี้ไม่ใช่กิบล่านะหันอีกทางหนึง่งเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราเราทำมาก่อนหน้านี้แล้วสามเวลาได้ไหม <laughs> จะเป็นอะไรไปอีสี่เวลาเราทํามาแล้วก่อนหน้านี้ก็เรารู้แล้วว่ามันผิดแล้วก็ต้องเปลี่ยนมาหันที่ถูกต้องแต่ไอ้สามเวลาที่เราละหมาดไปซอใช้ได้ไม่ต้องกอดอใช้ได้เพราะในขณะนั้นความรู้เรายังมาไม่ถึงก็ไอ้นั้นเอาเราอภัยให้นะครับอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆเลย อ่นต่อนะในอายะที่หนึ่งร้อยห้าเยไอฮ์ละดีน่ามานูอัลเลกุมอัฟุสะกุมเย يا الذين آمنوا عليكم أفسكم มากน ะ, ะตรงนี้มีมตายพบมีมและยะดูรุกุมมาบัลละอีซะอีซะเห็นไหมตัวจานเข้าไปที่ตัวฮาเลย ah um. อีซะตาไดตุมอ่าอีรอบหนึ่งและยะดูรุกุมมาบัลละอีซะตาไดตุม อิลลัลลอฮิมร์จีอุคุมแจมิอัลฟาญ بِمَا كُنتُمْ ت َ ع ต م َ ل ُ و ن َ มีมตายพบบาด้วยนะเฝอยู่นับบีอูกุมอย่าดื่มหลวเสียงนี้อีกรอบหนึ่งอิลลัลลอฮิมาร์จิอูกุมเจมีอัฟเอยู ا, ่นับบิอูกุมบิมากุนตุมตามลู อ่มาดูความหมายนะครับอายานี้พี่น้องครับอัลลอ์สั่งใช้พวกเราทั้งหลายเรื่องอะไรยะออยู yeah, uh ่ฮัลลาดีนาอามนูโอบรรดาศรัทธาชนแล้วทั้งหลายอะไลกุ um um ้มอันฟุสซากุ้มเจ้าจำเป็นแก่จำเป็นแก่พวกเจ้าขอโทษทีอะไลกุ้ม um. จำเป็นแก่พวกเจ้าที่จะปกป้องตัวของสู่เจ้าเอง ลายดุรุกุ้มมันด้นและอีละแต่ใดตุมให้ปกป้องตัวของตัวเองเนี่ยผู้ที่หลงผิดไปนั้นจะไม่ให้อันตรายแก่พวกเจ้าได้อเวน้นเวน้นเว้นว่าให้ถูกนะอันแรกก็คืออัลลอฮ์บอกว่าให้ปกป้องตัวของเราเองจากอะไรจากบาปต่างๆจากของไม่ดีต่างๆ แล้วก็ไม่ต้องไปเกงใจไอ้คนที่มันทําผิดเพราะเอาเราบอกแล้วว่าไอ้คนทําผิดไอ้คนที่มันหลงทางเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําอันตรายแก่คนที่เปลี่ยนแปลงได้บางคนเนี่ยกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะเดี๋ยวกลัวเพื่อนไม่คบเดี๋ยวเขาไม่ช่วยเหลืออ่านี่แหละเอาเราเตือนว่าอย่าไปห่วงห่วงตัวเราก่อนยังไม่ต้องไปห่วงคนอื่น เอาที่ตัวเรานี่แหละเห็นอะไรไม่ถูกเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนนะแล้วไม่ต้องไปเกลีใจมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยมันไม่สามารถให้คุณและให้โทษกับใครได้หรอกเต็มที่มันก็แค่ว่าเราด่าเราแต่ไปสนใจมันนะแต่แน่นอนว่าไอการที่เราทําเนี่ยอัลลอฮฺพอพระทัยหรือไม่ถ้าอัลลอฮฺพอพระทยัยก็ถือว่าเราได้เป็นคนที่รักตัวเองแล้วนะคนที่รักตัวเองก็จะไม่พาตัวเองไปสู่หายนะอายันี้จึงเป็น คำสั่งให้พวกเราทั้งหลายปรับปรุงตัวเราอยู่เสมอนะอัลลอฮ์ใช้ให้เราปรับปรุงตัวเองแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกนะหรือสิ่งที่ผิดต่างๆให้เป็นเรื่องที่ถูกต้องมีหะดิษบทหนึง่งจัยมัมอหมมัดรายงานจากกอยส์เล่าว่าอบูบักอศิ ด, ดีกได้ลุกขึ้นยืนและกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ชมเชยพระองค์ต่อจากนั้นท่านก็กล่าวว่า ไอยฮันนัสอินนากุมตักอรอูนะฮะดินฮะดิฮอายะโอมนุษย์ทั้งหลายความจริงพวกเจ้าเนี่ยได้อ่านอายะนี้ก็คือยาอิย mm ูนาดีนาอาเมนูอลัยกุมอันฟุสะคุ้มลายดูรูคุมมันดลละอีละแต่ใดตุมพวกท่านทั้งหลายเคยอ่านอายะนี้ที่บอกว่า Allah, อัลลอฮ์โอภูธาทั้งหลายจำเป็นแก่พวกเจ้าจะต้องปุกป้องตัวเองผู้ที่หลงผิดนั้นไม่สามารถจะให้ทำอันตารายแก่พวกเจ้าได้ เมื่อพวกเจ้าได้รับฮิดายะทางนำและความจริงพวกเจ้าได้เอามันวางไว้ที่ผิดและฉันได้ยินท่านรอซูล์กล่าวว่าอินนันนะซอีารออาวุลมุงกัรววลาอยู่กัยรูนะแท้จริงมนุษย์นั้นเมื่อเห็นสิ่งไม่ถูกต้องพวกเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เกงว่าอัลลอ์นั้น จะให้พวกเขาโดนการลงโทษของพระ อ, องค์อย่างทั่วถึงอันนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายรวมไม่ได้แค่ว่าเอาตัวเรารอดอย่างเดียวและคนรอบข้างเราจะไม่สนใจไม่ใช่ท่านอุบักบอกว่าพวกเราจะเข้าใจอายาณีเพียงแค่ตัวเราอย่างเดียวส่วนคนที่เป็นลูกเป็นภรรยาคนที่อยู่ในใต้าการปกครองหรือเพื่อนของเราเนี่ยที่เราสามารถจะแนะนําสิ่งที่ถูกต้องได้เรากลับไม่ทําการ สอนบอกเลยเอาบักก็เลยมาบอกว่าจริงๆแล้วอายะนี้ก็หมายถึงคนที่เห็นสิ่งไม่ถูกเริ่มต้นจากตัวเราก่อนไม่ถูกเราไม่ทำละและเมื่อเห็นคนนี้ก็ทำเราก็ใช้การตักเตือนการพูดดีกับเขาแนะนำสิ่งที่ดีและหลังจากนั้นถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนก็เป็นเรื่องของเขาแล้ว <c oughs> พเพราะอยู่ที่เขาใช่ไหมเขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็อยู่ที่เขา แต่ถ้าเราไม่สอนไม่บอกเลยเอาว่าบอกว่าลายอัมมะฮุมบีไอกอบเพราะเวลาอาซาบเวลาลงเนี่ยมันจะลงทั่วหมดเลยวันก่อนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเราได้ยินข่าวน้ำท่วมที่ภาคใต้เนาะก็มีการขึ้นโพสต์ไว้อย่างหนึ่งว่าส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ลงบาลากระดัหรือบททดสอบก็ได้นะขึ้นอยู่กับ โดนกับใครถ้าเป็นผู้คนดีก็เป็นบททดสอบถ้าเป็นคนชั่วก็เป็นบาลาส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะการไม่ได้ใส่ใจเรื่องศาสนาอย่างเพียงพอเพราะเขาจัดงานวันเด็กที่ใต้มีแต่วง ด, วงดวนตรีมุสลิมทั้งนั้นใส่ฮีอาถือคิวต้าเต็ไมไปหมดเลยประมาณสิบกว่าวงมึงเขาก็แชร์กันมาเขาก็บอกว่าเฮ้ย อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่จะทําให้บาลามาลงที่ที่สามจังหวัดอีกเพราะอะไรล่ะเพราะคุณเล่นประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าเนี่ยคุณจะเอาดนตรีมาลงมาแล้วเด็กมุสลิมทั้งนั้นสุดท้ายทางคู่จัดก็ทนกระแสสังคมไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนจากจากดนตรีก็เปลี่ยนไปนกิจกรรมอย่างอื่นนะเป็นกิจกรรมอื่นก็ไม่มีดนตรีไอ้พวกนั้นก็คงโมโหนะ่ด้วยพวกเล่นดนตรีนะทํากูตกงานนี้แล้วเออ <laughs> เออก็ก็นําเรียนกับพี่น้องว่าจําเป็นแก่พวกเราทั้งหลายจะต้องต้องอะไรนะต้องปกป้องตัวเราก่อนนะครับแล้วก็คนที่อยู่ใต้การดูแลของเราอีกขดดิษหนึ่งบอกว่าอบบา บ, าบอยาอายุันนานะอีดีอียะกุมวลกาดิบโพท้ทานทั้งหลายจงระมัดระวังการกะหกอันนี้ภาษาบ้านฉันเรียกกะหกส่วนภาษาที่ถูกเรียกโกหก อมโกหกแหละแต่แต่บ้านชายเด็กกะหกอย่ากะหกนะอืมเพราะว่าการโกหกนั้นอินนัลแกดิบะมูเจนีบุลลิ่นอีมานโอ้โหเพราะการโกหกนั้นมันเป็นเส้นขนานของการศรัทธาเส้นขนานของการศรัทธาแปลว่าอะไรอยู่เคียงคือมันไม่สามารถจะมาอยู่ด้วยกันได้คําว่าเส้นขนานไม่ใช่โอ้ดีจังเลยจานอยู่ด้วยกันไม่ใช่ คำว่าส้นขนาดเป็นมันไม่สามารถจะมาบรรจบอยู่ร่วมกันได้ขนาดนี่แปลว่ามันอยู่คนละฝั่งกันเลยไงเออถ้ามารวมกันได้มันก็เป็นขนาดเลวสิอยู่นคนละฝั่งระหว่างการโกหกกับอ إ ي م านต้องระวังเรื่องการโกหกนะครับอ่ะต่อนะยอยูฮะเลดีนะมนุษย์ฮะเดตูบายนิุม อ่ะดูให้ดีนะชาดาตูใบไลใบนี่กุ้มใบนี่ใบนี่ใช่ไหมกีฉันเขียนถูกไหมถูกนะไม่ใช่ใบ ย, ยี่กุ้มนะไม่ใช่ตัวยานะใบแล้วก็นูนมันแยกกันนูนกับยาเนะี่ยแยกกันใบนี่กุ้มถ้าไม่ระวังบางทีลืมนูนไปกลายเป็นใบ ย, ยี่กุ้มเห็นไหมอ่า อีกรอบหนึ่งยเอยห์ล่น่ามนุษย์ตบนิคุม มิงกุมนะเดี๋ยวลองดูวียวะสียะที่อินี่ถ้าผ้ใดคนหนึ่งมตถึงนัลนวสียที่สนี่จะวาดลิมมิคุม อ่าไม่เป็นไรไปนหนึ่งเดี๋ยวแก่เอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหมนะ่สาวว่ามันจะไปกันคนละขบวนขึ้นกันคนละขบวนแน่เลยเนี่ยเอาขึ้นขบวนเดียวกันนะอีดาไ ป, ไปนคนละขบวน อ, อ้าวอีดาเริ่มตรงอีดานะ อีซามืกี้อัญญาเริ่มหาดารอเลยอีซาหายกีก็ไม่ขึ้นไปด้วยเบอกพอก้าวผิดกระบวนแมวแล้วอามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรชาเดตุบายนีกุม อ, อยู่ตรงนี้เริ่มใหม่อีซาฮาดอลลนะเริ่มตรงนี้นะเอาใหม่นะขีดให้ดีนะใครมีปากกาขีดได้ไม่เป็นไรมากเอาไว้หน่อยว่าเนี่ยเริ่มตรงนี้ إذا ح ض ر أحد ك ُ م ا ل م ْ ت ح ي ال ت ن الوصيات ثنا نذ واعد لمن قم إذا حضّر أحد ك م ا ل م و ت ح ي ال ت ن الوصيات ثنا ดีมากครับฟินอาร์นะดดได้ครับ อ, อีรอบหนึ่งนะอีดายรอบหนึ่งใจเย็นอันนี้มันจะคำมันจะติดๆดกันนิดนึง إذا حضر أحدكم الموت حين ا, أ الم ل و ص ي ا ن ا ن ذ و ا ع د لمنكم ไยย้อนต้องย้อนอิสนาเลยกีแต่ว่าถ้าไม่ย้อนก็เอาได้เลยเอาเนี่ยเอาเริ่มตรงนี้แหละเอาอ่อขอรอนิมินไยริกุมอินออตุมดอรบตุมฟิลอร มาดูนะเอาอ่คอรอนี่มินมินนี่อ่านชัดกี่อ่านูนตายพบเกนไม่มีหน่วงเสียงนะอ่คอรอนี่มินกอยรีกุมอินอันนี้ก็อ่านชัดเหมือนกันเพราะนูนตายพบกับออลิฟแต่พออันตรงนี้หน่วงเสียงละอัลทูมบอรอบอย่าลืมก่อนก่อนละก่อนก่อนละบอรอบ ทุมฟิลอรดแล้วก็ตัวดอสอัดลมเข้าไป อ, อีกรอบหนึ่งนะเอาอะขารานิมินไกรีกุมอินอะตุมดอรบตุมฟิลอร์ด วْ่ อ, อัศะต์คุมมุสีบทุลมาวตว่า อ, าอัศ ت ต์คุมมุ ص ีบ ب َลมาวตเอ่อเห็นไหมมาวตเอ่อพอเรื่องตายนี่กี่ยาวเลยเออเอเอดีนะ อ่าเดี๋ยวอยู่ตรงบิลล่าฮนะกี่นะบิลล่านะฟฟยุกซีมาบะดิโซลาตีนะบะดิโซลาตีนะไม่ใช่โซลาวานะบิติโซลาตีอ่นะ ตัพสิบูนหูมะมิมบัดิสซาเลติฟยุคอซิมะนิบิลลั อ่อีกรอบเดงตะซีบูนนหุอ่ะตัวตะบีซูหลงแล้ว<ะ>เริ่มกระพิบเลยตะบีซูอะไรเม่ใช่ตะซีบูนะตา บิสูเนฮูมามิม บ, ดามมา บ, บัดิศลาติฟาโยคอซิมะนิบิลลาบิสูเนฮูมะมิมบัดิศลาติฟาโยคอซิมะนิบิลลาดีครับอยู่ตรงไหนดี หยุดได้แล้วย้อนนะใช่แล้วค่อยย้อนอินิรตะตุมลานัชตรีบิฮีสะมะนววลาอคาเนดากรบา وَلَوْ كَانَ ذَا قرب ว่าแَนักตัวُูชَห ه ดะต์อัล ل ل َّ ه ่ وَلَوْ كَانَ ق َ ب ว่าแลนั و َ ل َมูชาหะดะต์อัลลอฮ์ว่ ل แลนัก ทูมูชาฮดาทัลลอฮีอินน่าอิดะลลามิเนลอาธิมิน อิมาได้นะฟ a าอินอุทิาอาาอันนหตกอมา เอาลียนฟารานีกูมานนมากวมหูมามีนั้นแล้วนี่นั่ักก์อะลเยฮมุลเอาลียน มากครับอีกรอบหนึ่งนะหายใจลึกๆเฟอร์โครนีย์กูมานีมาก็มาหูมามีนั่ลดี่นั่สหักก์อัลเย์ิมุลอาลย ริมานบิลลลาชะา้ะอมนตาดะิมาตรงนี้นะ Fayuq simanibillahi la shahadatuna a h k u m i n s h a h a d a t i h i m a ถูกต้องนะครับฝยุกซีมาฝยุกซีมานิบิลและชาฮาและชฮาดตุนา ด, ด, า ต, นดาตุนาอะฮักกมินชฮ า, าดตีฮีมาอ่าโอเคนะ ไฟโยกสิมาในบิลลาฮิลาชาฮัดตุนาอาฮักุมิลชาฮัดติฮิมา ว่ามาแต่ได้ในนั้นไ ذ َ่ م ِ ن َ ا ل มَّ ا ل ِ م วล ن ม ว่จฮฮาได้ ل ِ ك َ أ َ د ْ ن ََ ي َّ ت ُ بِشَهَادَتِ عَلَى و َ ج ه ِ ه َ ا อากีอาลาไม่ต้องยาวสองสส่วนอัฎนายาวได้นะ The l ะ g a a d n อ Ay น, า, ออนานี่ยาวได้แต่ว่าอาลาสองว่จาจะฮีฮาแล้วก็หยุดตรงนี้อีรอบหนึ่งล h กะอ g a Adna ยะ ทูบิษฐอัลละ ดั่มาณุมบดัมาณหิมอออัรยิารอบนึงอวยขอฟู ตูรดได้ إيمان ุมบาดได้ إيمان ิหิม ال تق الله وسمعوا ال وتق الله وسمعوا وتق الله وسمعوا والله لا يهد ا ل و م الفاسقين มาดูความหมายนะครับอันนี้เป็นเลือกเป็นเรื่องที่จะทำให้ไม่ทะเลาะกันถ้าเราทำตามตามอะไรนะตามกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺดันได้วางเอาไว้ก็คือเรื่องพินัยกรรมวสีะแปลว่าคำสั่งเสียคำว่าพินัยกรรมพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายนั่นหมายความว่าต้องเกี่ยวกับความตาย ถ้าไม่เกี่ยวกับความตายไม่ได้พินัยกรรมเช่นเรามีลูกที่เราคนโปวดอยู่สมมติเขาคอยพาเราไปโรงพยาบาลตลอดไอ้คนอื่นไม่คอยพาไปดูแลแต่เมียอย่างเดียว <c oughs> มีโลกคนนึ่งพาแต่คนเนี้ยมดีมากเลยมันคอยอยู่กับมะแล้วก็เออรถคันนี้กับรถมะนั่นแหละก็บอกเลยว่าเนี้ยรถคันเนี้ยมะยกให้ ลูกคนนี้อันนี้ไม่ไดกวาสียะอันนี้เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องตายไงให้ด้วยความเสน่หาแสดงว่าทุกค น, นยังเป็นพี่น้องรับรู้แล้วว่ารถคันนี้เป็นของลูกคนนี้แล้วแต่พอเวลาเอามาแบ่งมลดกนี่เอารถคันนี้มาแบ่งได้ไหมไม่ได้คันนี้มันโอนไม่โอนมปนเรื่องอีกเรื่องหนึง่งแต่เขาให้แล้วไงมันเป็นผลแล้วไอโอนเนี่ยไม่เกี่ยวโอนนี่เป็นเรื่องของของอะไรของกฎหมาย ที่จะต้องไปดําเนินการเหมือนกับไอ้นี่แหละเหมือนกับที่ดินเนีถ้ายกให้ก็คือจบแต่ว่ามันจะมีผลสําเร็จก็คือไปที่กรมที่ดินไปทําเรื่องโอนอ่าซื้อขายก็เช่นเดียวกันซื้อขายเขาก็จะโอนเสร็จปุ๊บเขาก็ถึงจะให้สตังค์ไม่มีใครให้สตังค์ไปก่อนหรอกไอที่ให้ไปก่อนนะั้มัดจำนะคราวนี้วซียาเนี่ยแปลว่า คำสั่งเสียที่เกี่ยวกับตายแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าให้หลังจากตายเนี่ยเป็นมรดกซึ่งจะให้แบบนี้เนี่ยไม่ไม่ซ้อเพราะอะไรเพราะว่าลูกเนี่ยมีสิทธิ์ในกองมรดกอยู่แล้วถ้ามาบอกว่ากยกขนยกขนรถขนเนี่ยมายกให้หลังตายนะให้ลูกคนนี้นะอันนี้ไม่ได้เพราะเป็นการสั่งให้กับคนที่อยู่ในกองมรดกถ้าจะยกต้องยกให้ก่อนจะไปบอกว่า ยกให้เมื่อตายก็กลายเป็นวัศยะวสียะมันจะไม่ซอ้อเมื่อไปให้กับคนที่อยู่ในกองมรดกอยู่แล้วแต่สมมติไอ้คนคนเนี้ไม่ใช่กองมรดกเป็นตัวฉันฉันเนี่ยรับส่งเบตลอดเลยสมมุติเบปื้มมากชอบมีรถกระบะอยู่คันมีรถตู้อยู่คันหนึ่งแล้วก็เนี่ยสั่งกับลูกๆหมดเลยบอกว่าถ้าเบไม่อยู่แล้วเนี่ยรถคันนี้ให้อาจารย์เขานี่ผมหวานเลยได้แล้ว พ่ออะไรพ่อผมไม่อยู่ในกองมรดกไม่เกี่ยวอันนี้ให้อันนี้มีผลให้ไม่เกี่ยวกับเนหาด้วยก็เกี่ยวกัเน่หหาแหละแต่ว่ามันมีผลไงแม้ว่าจะตายไปแล้วมีผลเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในกองมรดกเข้าใจนะถ้าอยู่ในกองมรดกเนี่สั่งไม่ได้หรอกยั้นกฎหมายเนี่ยถ้าสมมติลูกเนี่ยไปฟ้องกันในศาลเรื่องอะไรนะเรื่องลูกสาวต้องได้เท่าลูกชายโอ้ยอันนี้แสดงว่ากําลังเอากฎหมายทางนู่นมามาเล่นงานไม่ได้นะ เออไม่ได้แล้วลูกและพ่อแม่ก็สั่งไม่ได้ลูกคนโตได้มากกว่าลูกคนเล็กได้น้อยกว่าลูกคนกลางได้เท่านี้ไม่ได้ลูกต้องได้ตามสิทธิ์ที่กุรอ่านบอกหมดแต่ถ้าจะยกสิทธิ์อีกเรื่องหนึงสมมติลูกชายคนเนี้ยเขาไปประสบความสําเร็จมีสตังค์เยอะเขาบอกว่าอ๋อมามาแบ่งกันไปเลยนะน้องสามคนไอ้ส่วนของฉันนะี่ยไม่ต้องคิดฉันยกให้ได้ไหมได้เพราะาเราเป็นเจ้าของสิทธิ์เรายกไงเพราะฉันมีตังค์เยอะแล้วให้น้องมันน้องมันไม่มี เงี้ยได้และน้องก็รักเรานี่เราก็มีเยอะยังไปแบ่งของน้องอีกอืมเนี่ยมันอย่างเงี้ยคนเราเนี่ยมันคือศาสนาเราเนี่ยมีทางออกแต่ว่าขึ้นอยู่ว่ามีจิตสํานึกไหมบางค น, นไอ้พี่มันได้โอ้โหมารู้ตะระทาไยแล้วก่อนหน้านี้พอเวลามาแต่ยังไม่แบ่ ง, งเราเข้าอีกเอาไอ้น้องอีกแต่ถามว่ากินผิดไหมไม่ผิดหรอกกินส่วนมหรดกไม่ผิดแต่ด้วยสัมันสํานึกว่าเออเราไม่สงสารน้องมั้งเหรอน้องมันไม่ได้เลยเลยตัวอย่างนะเอาแหละ ดังนั้นศาสนาจึงสั่งเรื่องมาวซียาไว้เพื่อไม่ให้เกิดทานทะเลาะ ก, กันเัลล์บอกว่ายา uh ah um อายุฮัลดีนามานูชาฮดาตุบนีกุ้มโอสัทธาชนทั้งหลายเอย๋ยการเป็นพยานระหว่างพวกเจ้าแสดงว่าต้องมีพยานอฮดาราฮดาุมุลเมาเมื่อความตายมายังคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าให้มีมีพยานไอตอนตายเนี่ย ไอ้ไอตอนตายเี่เราเราคงไม่รู้เวลาตายแต่ว่าทําพินัยกรรมก็คือต้องมีมีพยานเอาไว้เมื่อความตายมาถึงก็พินัยกรรมจะได้เอามาจัดแจงให้ถูกต้องฮีนาวซียาติสนาเนวาเดลิมินกุมขณะที่มีขณะที่ทำพินัยกรรมเห็นไหขณะทานะ น, านะนั้นก็คือสองคนที่เป็นที่เป็นคนที่ยุติธรรมในหมู่พวกเจ้า ต้องเรียกคนยุติธรรมมาบ้านเราจะเรียกใครมาตัวอิมามไงง่ายสุด เ, เพราะว่าใหญ่สุดแ้กในหมู่เกมก็เรียกตัวอิ ม, า ม, มาอัมมาตัวคอนเตมีคนนึงรับรั้วไว้เซ็นเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอ่าคนยุติธรรมอ่ะใครก็ได้ตัครูก็ได้คนที่มีความยุติธรรที่ดีคนที่เขาจะไม่โกหกไม่ไม่หลอกลวงเอาเอาอะไร อาคอรอนีมินก้อยริกุ้มหรือคนอื่นสองคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่อยู่ในหมู่พวกเจ้าหรือเป็นคนอื่นเลยก็ได้นะที่ไปอยู่ในหมู่พวกเจ้าขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะ อ, อมีรายงานคนอื่นที่เป็นผู้เจ้าเนี่ยมีรายงานจากอิมนุฮาติมโดยนํามาจากอิมนุอับบาตบอกว่าเอาเอาคอรีเนมินกอกริกุ้มหมายถึงสองคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะเป็นชาวคัมภีรก็ได้เอาชาวคัมภีร์มาเลยมาเป็นพยานก็ได้อคำว่าพวกเรานี่ไม่ใช่มายถึงในตระกูลเราหมายถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเป็นชาวคัมภีรก็เอามาได้เพราะสมัยก่อนมันก็คือคนที่จะเขียนอ่านมันน้อยอะ เพอมันจะมีการบันทึกเอาไว้บางทีพวกนี้พวกชาวกัมพีมักจะเป็นคนที่อ่านออกเขียนได้ส่วนคนอาหรับส่วนใหญ่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หายากถ้ามันไม่มีจริงก็เอาชาวกัมพีมาเป็นพยานมาลงบันทึกได้มีแต่ต้องเป็นคนดีนะไม่ใช่คนขี้โกงนะไม่ใช่ยิวขี้โกงไม่ใช่สำคัญคือจาวาอดัดดลิมเนี่ยคือต้องเป็นคนดีเป็นคนที่ยุติธรรมอินอนตุมดอรบะตุมฟินอาร์ และหาพระเจ้าได้เดินทางไปในแผ่นดินอันนี้สําหรับเดินทางไปแล้วเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะทําวสิยะแล้วทําไงดีไม่มีไม่ได้อยู่ในมุกิมเราแล้ ว, ลวไปตามตัวอิมัมก็ไม่ได้ไปอยู่ในแผ่นดินอื่นแล้วก็มีภัยแห่งความตายจะมาประสบแก่เจ้านี่ไงพี่น้องต้องนึกถึงสภาพก่อนนะสมัยก่อนมันติดต่อกันมันไม่เดือดหมือนสมัยนี้มีโทรศัพท์ส่งไลน์กันโมก่อนไปแล้วไปรับได้ข่าวอีทีก็นั่นแหละกลับไม่กลับไม่รู้ ลงเรือหายิงไปน่ะจบเลยไม่รู้จับมาใหมมาใช่ไหมคือสมัยก่อนมันเป็นอย่างงไนสมัยนี้มันมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันติดต่อกันได้โทรได้ตลอดอยู่อเมริกาอยู่ที่ไหนก็เห็นหน้ากันได้แต่สมัยก่อนไม่มีหากพระเจ้าเดินทางไปบนหน้าแผ่นดินแล้วมีภัยแห่งความตายมาประสบแก่เจ้าฟะอาซอบัชกุมมูซีบาตุนมาอุตตาบีซู ตะบีซูแนหูมามิมบาดิสซาลลติฟยุกะซีมานิบิลล่ะโดยที่พระเจ้าจะต้องกักขังขาวทั้งสองเอาไว้หลังจากการละหมาดอ่าเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูตัำซีงงอะไรเนี่ยไปคักๆเรยกันมาและทั้งสองนั้นให้สาบานอ่าขออนุญาต ด, ดูตัำซีนนิดนึงผมมาดูมาแล้วแหละ บอางี้นี่คือเงื่อนไขสองประการที่อนุญาตให้ชาวต่างสศาสนาพูดไปแล้วเอาเราบอกว่าโดยที่บระเจ้าต้องกักขังทั้งสองเอาไว้ภายหลังจากการละหมาดหมายถึงหลังละหมาดอัสรีคือการละหมาดของบรรดามุสลิมจุดมุ่งหมายนี้ก็คือให้พยานสองคนนั้นมายืนคืออย่างนี้คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะตามหาพยานเนี่ยสมมติอ่ะเราได้ข่าวมาแล้วว่าไอ้คนเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่เขาจะเดินทางเนี่ยเขาได้วาสียัดเอาไว้ แต่ครั้นี้มุ่อก่อนมันไม่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์ก็เอาเวลาละหมาดฟัดดูนี่เนี่เป็นการประกาศหาคนที่เป็นพยานเพราะในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเจอคนที่เป็นพยานหรือเจอคนส่วนใหญ่จะเจอกันที่ไหนที่สุราอูเขายิงวันซงกีเจอแน่ถ้ า, มาไมันไปไหนไม่ใช่มุซาฟีก็อยู่ที่นั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าให้กักคนเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งปล่อยไปพอละหมาดเสร็จปุ๊บก็ถามเลยว่าอา้าวตอนนี้ใครที่เป็นพยานเรื่องนี้อา้าวแสดงตัว เพราะว่ามารวมตัวกันแล้วคือให้ทั้งสองคนถ้าเป็นพยานที่ที่เป็นมุสลิมก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเป็นพยานที่ไม่ใช่มุสลิมล่ะทำยังไงดีฟายุกซีมานีบิลลาก็ให้มีการสาบานด้วยสาบานต่อหล่ะและก็ยืนยันต่อคนที่มาละหมาดถ้าเป็นมุสลิมก็เขาต้องพูดความจริงอยู่แล้ว หรือถ้าหากว่าเจ้าสงสยัยวอนิรตะบตุมลาสตารีบฮิซมานันว่าลกากาากุรบบอกต่อว่าถ้าหากเกิดความสงสยัยเครอะไรค่ า, าคบเพลงใจเกิดความสงสัยแล้วเนี่ยเราก็จะไม่นำการสาบานนั้นไปแลกเปลี่ยนกับราคาใดๆ เหตุที่สงคือจะจะให้สาบานเนี่ยต้องสงสัยก่อนนะสงสัยก็ให้สาบานเพราะว่าสาบานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเรื่องใหญ่พเพราะได้นอนว่าคนจะไม่แลกเอาไปแลกกับเรื่องสาบานสาบานเทิศเป็นบาปใหญ่และแม้ว่าเขาจะเป็นญาติใกล้ชิดก็ตามพยานเนี่ยเป็นญาติใกล้ชิดดูแล้วมันมีผลประโยชน์อ่าก็ไม่เป็นไรถ้าเขาสาบานก็คือถือว่าต้องรับตาม เขาที่คำที่ตามที่เขายืนยันและเราจะไม่ปกปิดหลักฐานขอร้อง <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วแน่นอนเราก็จะอยู่ในมูดหมู่ที่คนที่ทําบาปทันทีอ่ะเราได้อะไราจากญานี้ก็คือเรื่องของการหาพยานและพยานเองจะต้องอต้องยืนยันในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดญาติเขาสงสัยเฮ้ยจริงหรือเปล่าเขาลงไม่วันนี้จริงไหมเขาพูดกับแกจริงหรือเปล่าทําไงสาบานเลย และที่อยู่ในสุราเงี้ยกาสาบลานทิศเหรอมันก็ยากไงต่อมา f ฟอ n u อินอูซิโร n าร์เลอันนาหูมาอิสตากอมันและหากได้ค้นพบว่าพยานทั้งสองสมควรที่จะรับโทษก็ให้คนอื่นสองคนทำหน้าที่ในตำแหน่งพยานทั้งสองแทนหมายความว่าพยานเนี่ยไปรับไปรับผลประโยชน์ เป็นพยานเท็ดไปเจอหลักฐานมาว่าไอเนี่ยมันมันกุข่าวขึ้นมาเพราะว่ามันไปเตียมกับไอคนที่ได้ผลประโยชน์ก็ถือว่าไม่รับพยานนั้นแล้วก็ให้ตั้งพยานใหม่ขึ้นมาจากพยานสองคนในหมู่พวกในหมู่พวกเขาที่สมควรแล้วเขาทั้งสองก็สาบานต่ออว่าแน่นอนการเป็นพยานของเรานั้นสมควรยิ่งกว่าการเป็นพยานของเขาทั้งสองอ่า ตอนทำแต่ถ้าว่าไปตอนเป็นพย า, ยานเนี่ยก็ควรมากกว่าสองคนนะสามคนสี่คนลงไปเถอะแต่เวลาใช้มายืนยันใช้แค่สองคนแต่ ว, ว่ามีพย า, ยานเนยอยู่สี่คนใช้แค่สองคนนะเอาต่อมาเรามิได้เป็นคนละเมิดถ้ามิเช่นนั้นแล้วเราก็จะอยู่ในมู่หมู่ผู้อาธรรมทันทีอ่าเมื่อกี้คนทําบาปทันทีนี้หมู่ผู้อธรรมแล้วก็อยันสุดท้ายายันที่หนึ่งร้ยแปดเราบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ ใกล้ยิ่งกว่าการเป็นพยานที่พวกเขาจะนำมาซึ่งการเป็นพยานตามความเป็นจริงของมันคำว่าใกล้ตรงนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงการที่คนคนหนึ่งไม่ซื่อตรงนะห ล, ลอกลวงเนี่ยไอ้คนคนหนึ่งที่แม้ว่า อาจจะไม่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นพยานแต่เขารู้เห็นในเหตุการณ์เนี้ยอันเนี้ยคนเนี่ยดีกว่าเร็วไหมอาจจะมีพยานที่รู้บีพยานกันสี่คนแต่สองคนเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่ถูกแต่งตั้งมาแต่สองคนเนี่ยเขาบื้อดันมาอยู่ในเหตุการณ์เฉยอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้เป็นพยานที่ถูกแต่งตั้งมาหรอกจากจากคนที่ทำเวสเซียทําพินัยกรรมแต่คนเนี้ยที่ไม่ได้ถูกแต่งตั้งเนี่ยดีกว่าเพราะอะไรเพราะเขาพูดเขาพูดในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยุติธรรมแล้วก็ไม่มีรับลมคมใน เออเห็นไหมในในใ น, ในกุรอ่านอธิบายไว้นะ ใ, ใช่แต่เขาไม่มีเขาเขาไม่ได้มีไม่ได้เปิดตัวไม่ได้เปิดตัวนะครับทมดูลิละเอาต่อมาหรือในการที่บุกเขากลัวว่าคำสาบานจะถูกปฏิเสธหลังจากที่บุกเขาได้สาบานจงยำเกรงอัลลอฮ์จงสะดับรับฟังแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงให้ทางนำใดแก่คนที่ทำความชั่ว นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของพยานในการทำพินัยกรรมนะครับแต่ผมบอกก่อนนะคนที่จะทำพินัยกรรมจะต้องรู้หลักการศาสนานะไม่ใช่เล่นเองเลยอาตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งพี่น้องนะการการที่จะทําให้มันเกิดความยุติธรรมเนี่ยควรจะบอกลูกทุกคนให้ทราบไม่ใช่ทาเฉพาะลูกคนโตไอ้คนน้องไม่รู้เรื่องเนี่ยทะเลาะ ก, กันแน่วันก่อน ไม่รผมเคยเล่าหรื อ, อยังเรื่องมอวะซียะเนี่ยมีโต๊ะคนหนึ่งแกเรียกฉันไปมีฉันแล้วก็มีทนายมีสองคนมีฉันแล้วก็มีทนายแล้วก็ลูกอีกสองคนแล้ว ก, ก็ลูกเขยลูกเขยกับลูกสะพ้ยมานั่งอยู่ในห้องก็เปิดใจกันไอ้ลูกชายก็รู้สึกแย่พ่ออะไรเพราะเวลาโต๊ะไปโอนทงโอนที่ไปกับลูกสาว ไอ้ลูกชายก็แบบอะไรวะทวายเวลาโอนที่ไปกับลูกสาวและลูกสาวไม่ได้ไปคนเดียวลูกสาวเอาลูกเขยไปอีกไอ้ลูกเขยก็กลายเป็นแพ้อีกไอ้ลูกเขยก็ซวยไปอีกกลายเป็นว่าเฮ้ยไปรับลมคมในกันหรือเปล่าแต่เหตุที่พ่อที่แม่ไม่ได้พาใช้ลูกชายไปเพราะลูกชายเนี่ยมีลูกเล็กเขาต้องดูลูกเขาก็เลยไปวานลูกสาวคนโตไม่มีอะไรเลยแต่ว่าพอพอพอไม่บอกกันมันก็กลายเป็นเป็นเรื่องเข้าใจผิด สุดท้ายพอเคลียร์ใจกันก่อนกันกลมเลยแล้วก็คุยกันง่ายคนมีศาสนาอ่าอันนี้ให้บางมันไปอ่า น, นี่ให้น้องมันไปเราก็แค่น่ะซีฮัดเตือนกันว่าพี่น้องกันนะอย่าทะเลาะ ก, กันนะเพราะมะเนี่ยสบายใจที่สุดก็คือเห็นพี่น้องรักกันไม่เห็นพี่น้องทะเลาะ ก, กันมะก็สบายอ่มามะก็สบายใจก็ลงไว้ไอ้เวลาลงเนี่ยผมไม่คนเกี่ยวเพราะว่าคนที่เป็นทนายเขาจะรู้ว่าควรจะลงแบบไหนเขียนยังไง ที่ทางตรงนี้อย่างนี้อันนี้ให้ก่อนตายนะอันนี้ให้เป็นหลังมรดกนะแบ่งกันอถ้าเกิดอันนี้เป็นค่าเช่าแบ่งกันคู่ค่าเช่าค่าเช่าให้คนเดียวแต่ถ้าขายต้องแบ่งคู่งงไหมคือที่บางที่เนี่ยถ้าขายเนี่ยมันมูลค่าสูงแต่ตอนกินค่าเช่ามันนิดเดียวไม่กี่บาทรอกแต่ถ้าขายปุ๊บไอ้แค่ห้ิไอ้แค่ยี่ตารางวาสามสตารางวามันอยู่ในเมืองอยู่ในแถวมหานาคเนี่ยแต่ขายทีมันเป็นเป็นหลายสิบล้านอย่างนี้แบ่งคู่ แต่ถ้ากินประโยชน์ให้บางมันไปพ่อไอ้น้องมันไปกินประโยชน์ตรงนู้นแล้วมันมีหอพักอีกที่หนึง่งก็ลงรายละเอียดไว้ฉันก็เออโต้นี่ตังเยอมกันนะเนี่ยมีตรงนั้นมีตรงนี้สุดท้ายพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเมื่อทําเสร็จอีกสักพักหนึ่งเจอมะเร็งโต้นเนี่ยเจอมะเร็งแล้วก็อยู่ไม่นานก็เสียชีวิตเลยเออแปลกมากแต่ตอนทําเนี่ยไม่มีโรคนะยังไม่มีโรคพูดง่ายง่ายเหมือนแกรู้ว่ะ แกต้องจัดการอะไรให้เรียบร้อยแล้ววันที่ยานาซ่าผมก็ไปพี่น้องเขาดีใจเขารักกันมากเขาบอกว่าโอ้โอาจารย์วันนั้นอัทำดุละเลยมะมะแกแบบปล่อยวางเลยแกโล่งเลยและเห็นพี่น้องรักกันดีเขาก็ดีมันก็ดีมากๆเลยแล้วเป็นการจัดการให้เรียบร้อยผมก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรผมแค่นาซีฮัตบอกเตือนให้รักกั น, ใ ห, กกนให้อะไรกันนะแต่ว่าอย่าเรียกเอเรียกฉันคนให้เรียกทนายไปด้วยมันสองคนมันต้องฝ่ายกฎหมายด้วยแล้วก็ฝ่ายศาสนาด้วยอันนี้เป็นการเตรียมตัวไว้ เรื่องว an ัศียัดไม่งั้นเดี๋ยวทะเลาะกันแหลกแน่นะโอเคนะครับอย่าจากุันมึงรอคอยรันนะยาอมจะมาอุลลอหุรูสูลาไฟะกูลูมาดอจิบตุม อ, อรอบหนึ่งแล้วอีรอบหนึ่งนะครับยามาจะม า, าหัรุสูลละยฟกูลูมาด้อูจิบตุม ดูให้ดีนะละนาตัวนี้กี่อันยาวนิดนึงอ่าสตะกูลลอิลมะลนาอินนักอัลตัลลัมุลกุยบะตัวเกนะ นะครับกูอยู่แบบอ่ะมาดูนะยาว์แม่วันที่อัลลอฮ์จะทรงชุมนุมบรรดาศาสนทูตวันไหนอ่ะวันกียา์มะอ่ะซึ่งในดุนยาเนี่ยเราจะส่งศาสนาทูตลงมาตามช่วงเวลานบีอาดัมอ่ะคนแรกก็ไล่มานบีนัวมีนบีที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกันไหมมีนะ อ่ามันจะมีที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกันนบีอะไรอะพี่น้องอมูซากับฮารูอย่างเงี้ยอยู่ในยุคสมัยเดียวกันนบีอิสฮากับไม่ใช่นบีขอโทษดินบียะฮ ย, ยากับนบีอีซาเนี่ยอยู่ยุคสมัยเดียวกันเคยเจอกันแล้วก็แต่ต่างคนก็ต่างอยู่ในกลุ่มชนของแต่ละกลุ่มชนนะส่วนนบีมูฮัมหมัดของเราก็ไม่มีใครอะ่ะ <c oughs> คนเดียวเลย และสุดคนสุดท้ายแล้วกลายเป็นนบีที่ไม่ได้ส่งมาเฉพาะกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งก็คือทั้งหมดทั้งโลกนั้นคำว่าอุมมะของท่านรอซูลเนี่ยหมดเลยนะจะเป็นฝรัง่งจะเป็นนิกโรจะเป็นคนอยู่ในเผ่าไหนเนี่ยเป็นอุมมะนบีหมดแหละแต่อุมมะเขาแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเขาเรียกว่าอุมมะตุนอิจาบะอุมมะที่ตอบรับคาเรียกร้องของอิสลามก็คือมุสลิม ส่วนอีอุมมะหนึ่งเขาได้อุมมะตุดดาวะอุมมะที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่บนโลกนี้หน้าที่ของเราก็คือเรียกร้องเชิญชวนให้เขามาสู่อิสลามส่วนคนที่เป็นอุมมะตุนอิจาบะอิสติจาบะอุลม ะ, ะประชาชาติที่ตอบรับคําเชิญชวนของนบีแล้วเนี่ยเราทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่ในการสอนในการบอก เรื่องของหลักการศาสนายานั้นเวลาฉันไปสอนเนี่ยต้องจะดูดูก่อนเขาตอบรับอิสลามยังถ้าเขาตอบรับอิสลามเราก็สอนเลยอลาราหมาดยังไงทํำยังไงแต่ถ้าคนที่ยังไม่ตอบรับอิสลามเนี่ยไม่จะไปสอนเรื่องละหมาดเขาหรอกให้บวชนะงงมาอดข้าวทําไมสอนอย่างเดียวเลยให้เขารู้จักอัลลอฮ์ให้ได้ให้เขาเชื่อว่าโลกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองมันมีพระเจ้าทํางานคนละอย่างกันนะ คนไปบรรยายกับคนที่ใ น, ใ, นในคนที่เป็นนองมุสลิมเนี่ยไม่ต้องไปสอนเรื่องละหมาดละหมาดยกมือแบบนี้นะกอดอกแบบนี้ ม, มีประโยชน์เพราะเขาไปละหมาดอยู่แล้วแต่ต้องสอนให้เขาจำนนให้ได้ว่าโลกนี้มีพระเจ้ามีผู้สร้างทำงานคนละแบบแต่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะบางคนทำเรื่องของดาวว่าเรียกร้องเชิญชวนมาสู่อิสลามบางคนสอนคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วนี่แหละให้มีความเคร่งครัดในเรื่องศาสนาฉันอยู่ฟังนี้ ฝังที่สอนคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วไม่ถ น, นัดนะกับคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมบางทีเถียงไปเถียงมาลมขึ้นอีกเราเ <c oughs> ดี๋ยวไก็ต้องคนที่รู้จักใช้ตะ ก, กะในการให้เขาคิดนะให้เขาได้เรียนรู้นะครับก็จะมีคนที่ทําหน้าที่ในการเผยแพ่ได้ว่าให้คนมารับอิสลามกับอีกคนหนึ่งที่สอนคนที่รับอิสลามแล้วออเอาต่ออเล่าบอกว่าไงเยกูลูมาザอูจิบตุมบอกว่า และทรงตรัสว่าสิ่งใดบ้างที่พระเจ้าได้รับคำตอบสนองการตอบสนองก็รูลลอิลมลนาะพวกเขาก็กล่าวว่าไม่มีความรู้ใดๆแก่พวกเราเลยแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่เล้นลับทั้งหลายตรงนี้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับนี่คือการแสดงถึงเดชานุภาพของเลาเราซูลก็ไม่ได้รู้จากการ การการคิดเองไงคำว่าตัดสรู้เนี่ยไม่มีนะในอิสลามเราหมายถึงว่าอยู่ดีก็นึกขึ้นมาเองแต่ทั้งมดทั้งมวลเป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์บอกหมดเลยอัลลอฮ์ส่งวาฮีมาเข้าใจนะคือไม่จะเกิดจากการไปพิสูจน์ไปนั่งคิดเองเอาอเป็นทฤษฎีออกมาไม่ใช่นบีนบีรับมาจากอัลลอฮ์ ทั้งหมดฉะนั้นเวลาอัลลอ์าถามว่าได้คำตอบได้ตอบสำหรับเราก็เลยบอกว่าเราไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนี่บรรดาศาสนทูตบอกเราไม่ได้มีความรู้อะไรเลยทั้งหมดนั้นมาจากความรู้จากพระเจ้าทั้งหมดอ่ะนะครับอ่านต่อนะ <S 2> <S 2> อิดกอลาอัลลอฮูยัยซาบนามยามัดกุรนีมตีอไล จ๋าคีว่าไงอ๋อก <hel ì. sm illi> okay. Now, okay, ี่อันผิดเนี่ยมาตีไม่ใช่กูอะไรนะมันกีเกีนว่นวะเลยนะอ่าโอเคเอาใหม่นะออุูนีโอเคครับมารียมัดกเนี่ยมาตีโอเค อิลกล่าวอัลลอฮฺยาอ ي ยาบเนมะมีม ع มะดุร์เนาะมะตี عليك ไอรอบหนึ่งกี่นะ إذ قال الله يا عيسى نمر ي, ى َ مذكر نعمتي عليك إذ قال الله يا عيسى على والدتك الحمد لله วَาลาวัลดาติกาอิดอัยْัตุคาِิรุห์ฮิลََุุสว่าลาว่าลาว่าลَว <علي ك S 1> ัลดาِิกาอิَอัยยัตุคาบิรุห์ฮิลกุดุส alhamdulillah nah. อรอบ่าว่าลวาลีดติกาอิดอัยตุคาบรูฮิลกุดุส ทุกขลิมุนนาสฟิลมะดีวกะลِ و إ ذ ْ ع ل م ทุกข์ขึ้นกาบวัลพิกมาตวะ สุรัตและอิจ คิทาวบัลฮิกมาตวตทตวราตัวลอจิล บีอิดนْนะอยู่ตรَนี้บ ف อิดนีแล้วก็ฟาตาวฟูฟูฟูคูฟีฮาไ ل ้อิจทักลูกุมีนัดตีนีِก็ให้อติไพรีบีอิดนีไว้อิจทัُลูกุมีนัดตีนี้ อ่ะพ okay ี่น้องดูนะเขียนตีอันแรกตีเนตีนี่อันที่สองกาไฮอาติดตอยรีแหม่คล้ายๆกันแต่ว่าตัวต่อทั้งคู่นะครับแต่คนละสละนะตีนี่กับตอยรีแหม่ไว้ไว้ตั้งลูกมีนัดตีนี่กาไฮอาติด ตอยรีอิจฉ ذ นี้ไว้ตรรุบุไม่ติดใจกับติดคอยรีบอิจฉ์นฟตฟูขู่ فيها ฟ้าต้องนุตายรับีอิจนี้ ฟูอืมอ่อีกรอบหนึ่งนะฟตตอฟูคูฟีเฟตตกูนูตายรัมบีอินี วะตูบริุลอ็คมาหาฮะขอโทษีกต้องคอยลุ้นน่วะตูบรอุลอ็คมาฮะวลับรอซบีอินี อรอบนึงวัดูบรอุลอัมาฮ์วัลอาบรอซบีอิดนีวัดูบริุลอัมาฮ์วัลอาบรอซบีอิดนีวัดูริจุลมาุตาบีอิดนี ใบีนัดได้ไหมจิตอาหกฟตบอรอลอกอจตหุบิบน فقال الذين ََ ال الذ كفروا ََ منهم إن هذا إلا ِ س ِ ح ر م ُ بن ِ ي บิร ah, ุสบิรษุลบิรษุลีไว้ด่าวไหตุอิละฮาวารีนอันอาเมนุบีแะบิรษุลีฮาวารี ฮาวารียีห น, น้านะนอยว่ า, านี้นะฮาวารียีหน้ามียาสองตัวอยู่ในนี้นะฮาวารียีนะหน้าอีกรอบหนึ่นง وإذ أ, أ و ح ُ إلى الحوارين أن آمنوا بِوَبِرَسُولِهِ บิรอสูลีโอลูอเมนน่าวชฮัด بيان นาเนมุสลิมุณ มาดูความหมายนะครับอิสตรงนี้อิ ส, อสกอลออหมายถึงให้ลำลึกนึกถึงขณะที่อันนี้ก็คืออัลลอฮ์ได้ใช้ให้ท่านนาบีเนี่ยได้นึกแล้วก็พวกเราทั้งหลายให้นึกถึงขณะที่อัลลอฮ์ได้ตรัสได้กล่าวแก่อีซานาบีอีซาบุตรของพานางมารยม อุตกุเนี่ยมาตีตรงนี้หมายถึงอะไรให้จงล้ำลึกถึงความโปรดปานของข้าที่มีต่อเจ้าให้ล้ำลึกถึงเนื้อมัดที่มีต่อนบีนบีอีซาซึ่งซึ่งแน่นอนว่านาบีอีซาไม่มีพ่อนะเป็นมีแม่อย่างเดีย ว, แ, ยยวแต่ทุกคนบนโลกเราเนี่ยยกเว้นนบีอีซากับนบีอาดัม สองคนเนี่ยอ่าไม่มีพ่อ อ, พ อ, อันนั้นทเบีอยดัมก็ไม่มีแม่ด้วยไม่มีพ่อแล้วไม่มีแม่ส่วนเรามีพ่อมีแม่กันทุกคนนะครับแล้วก็มีญาติพี่น้องก็ว่ากันไปนะอ่ะแล้วบีอีซาให้นึกถึงความเงียบความโปรดปานซึ่งอันเนี้ยเรากําลังจะบอกกับพี่น้องทั้งอ่ากำลังจะเตือนตัวผมเองนะพี่น้องทั้งหลายว่ามนุษย์มักจะนึกถึงสิ่งที่ขาดอันนี้ไม่เรื่องปกติเลยนะ ถ้าเราไม่มี i สลามเราจะนึกว่าเราขาดนู่นขาดนี่แต่ไม่มักแต่ไม่ยอมนึกถึงสิ่งที่เราได้ผมยกตัวอย่างคนค้าขายเนี่ยค้าขายมามีวันหนึ่งขาดทุนนึกแต่เรื่องขาดทุนแต่วันได้กําไรไม่นึกนะเฉยๆแต่วันไหนขาดทุนนะบ่นเป็นหมีกินพึ่งนะบ่นอยู่นั่นแหละเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมล่ะไอ้วันได้กําไรมาสี่วันเนี่ยเข้าบ้านยิ้มไม่มีอะไร แต่วันไหนขาดทุนมาเนี่ยตั้งแต่ประตูบ้านเปิดมายังบ่นไม่เลิกเลยเออเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่มองแต่เรื่องขาดเราไม่มีความสุขแล้วครับรถก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นู่นก็ไม่ดีเขาเรียกช่างตําหนิตีไปหมดแต่ถ้าเป็นมนุษย์ที่คิดบวกโอ้ยอ่ะทำดีแล้วได้แค่นี้ก็ดีกว่าโอียหลายคนเขาแย่กว่าเอาล้อเนี่ยวันนี้เอาล้อให้เราทําบุญ เนี่ยคือถ้าเราคิดแบบนี้เรามีความสุขนะแต่ถ้าเราคิดเรื่องขาดนะมีความสุขหรอกยิ่งอยู่กับสามีเปรียบเทียบใหญ่เลยโอ้ยนี่เราก็ไม่มีนอุ่นไม่มีบ้านนั่นเขามีตายพี่น้องถ้าเราหาได้ตามนิรมิตได้ก็แจวโอ้ยมันไม่ได้เนี่ยใช่ไหมเนรมิตได้เอะอยากจะได้บ้านปุ๊บมาเลยอยากได้รถมาเลยไม่ใช่ดังนั้นอันนี้อัลลอฮ์กำลังเตือนพวกเราทั้งหลายให้นึกถึงความโปรดปานเยอะๆอย่าไปนึกว่าเราขาดอะไรพี่น้องถ้านึกขาดอะไรมีความสุขหรอครับ นึกว่าเรามีนึกว่าเราได้ความปวดปันอะไรบ้างนะแต่ละคนก็จะต่างกันอ่ะคนที่อัลลอฮ์ให้นึกคือนบีอีสาประการแรกเลยก็คือวะอาลละวาลีวาลิดาตีกะอิทอยัดตูกาบิรูฮิลกุดุส uh แปลว่าอะไรมานดาของเจ้าเนี่ยอ่าและมานดาของเจ้า ให้ลำลึกถึงตัวความปวดปานของตัวเจ้าและก็แม่ของเจ้าก็คือพระนางมาดยัมด้วยขณะที่ข้าได้สนับสนุนเจ้าด้วยกับวิญญาณอันบริสุทธิ์โดยที่พวกเจ้าเนี่ยพูดคุยกับผู้คนในขณะที่แบเบาะบางคนเนี่เขาแปลว่าอันมาดยีเนี่ยแปลว่าเปรแต่แทาจริงต้องแปล แปลให้สวยงามก็คือแบะเบาดีกว่าแบะเบานี่แปลว่าไวไัยเลยวัเด็กไวัทารกอะที่มันพูดที่พูดไม่ได้ถ้าอยู่ในเปยนี่นะเพราะว่าเพราะว่าพนางมายังไม่ได้ผูกเปยไปหรอกก็อยู่ในบบาที่แหนอุ้มไปในผ้าแล้วก็เวลามีเขาถามใช่ไหมก็ให้เอาล่อบัญชาให้ชี้ไปที่เด็กเด็กก็พูดพูดนี่พี่น้องรู้ไหมว่าพูดสามบรรทัดถ้าเขียนนะพูดสาบรรทัดไม่ใช่พูด ปลาไม่ใช่พูด ม, มามาไม่ใช่พูดบาบานะ่ะนี่พูดสามบรรทัดแสดงว่านี่เป็นเรื่องมวยีสานและแต่ละประโยคเนี่ยเดี๋ยวจะถูกกล่าวไว้ในสุรธรรมยมจะค่อยไปเรียนกันเอาเราเล่าเลยว่ามาบีอีซาพูดอะไรในวัยแบเบาะามสามบรรทัดอยู่ในอายักกุฎา น, นั้นในสุรมรรมยมเป็นประโยคที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับสัมมวนเป็นพยานยืนยันเลย แต่ไม่ใช่แค่น บ, บีซาคนเดียวนะที่พูดในวัยในเปได้เนี่ยมีฮะดิษรายงานไว้หลายบทบางคนมีบอกมีเป็นสิบคนเลยบางคนมีสี่คนมีห้าคนที่อัลลอให้เด็กทารกพูดได้ตั้งแต่อยู่ในวัยแบเบอนเอาต่อมาวลกะฮลาแล้วก็อยู่ในวัยวัยอะไรวัยกลางคนกะฮลาในวัยกลางคนพี่น้องครับน บ, บีเริ่มสอนศาสนาอายุเท่าไหร่ นบีเริ่มสอนศาสนาตอนอายุเท่าไร 40. 40 40เขาถึงบอกว่าวัย40เนี่ยเป็นวัยที่ไม่ถูกตำหนิถ้าสอนศาสนานะหนึ่งไม่เด็กไปสมมุติเจ็ดขวบมานั่งบรรยายโอ้โหเฮ้เยต่อให้บรรยายถูกวนะยังเด็กอะ่ะความน่าเชื่อถือเป็นไงไม่ได้เอาต่อมาซมมูดฟาบรรยายอายุเจ เกิดอะไรลืมหรือเปล่าหลงหรือเปล่าใช่ปะ่ะคือ40นี่คือสูงงองพอดีแต่ถ้าพูดมาเริ่มสอนตอน60เนี่ยไปเพออันนี้อาจจะหลงห ล, ลืมลืมแล้วนะคือ40คือเป็นวัยกลางคนสวัสดิ์บอกนบีอีซานี่ยเริ่มสอนตแ ต, แต่แต่อายุ30 30 6บางกวันในงานก็ บ, บอก30เพราะว่าอยู่ไม่นานนาบีอลัลลอฮ์ก็ยกขึ้นไปนะครับอยู่วัยกลางคนอ่า ที่บอกว่สาสนับสนุนด้วยวิญญาณบริสุทธิ์ตรงนี้หมายถึงยิบรีนนะรรฮินกุดุษหมายถึงยิบรีนครับคืออัลลอฮ์ให้ยิบรีนมาดูแลท่านนบีอิสาตั้งแต่วัยทารกเลยว่อิสลัมตุกากิตาบ้าและอัลลอฮ์ก็ได้สอนนบีอิสาให้กิตาบให้รู้ถึงการอ่านและเขียนด้วยนบีทุกคนเลยนะพี่น้องอ่านออกเขียนได้ มีนบีท่านเดียวที่อ่านออกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นบี ม, มูฮัมหมัดเราที่เหลืออ่านออกเขียนได้หมดนบีซาเอียอ่านออกเขียนได้วัฒฮิกมะวิทยาปัญญาและก็เตารอนและก็อินจีนแล้วก็สอนเตารอน ด, ด้วยซึ่งเตารอนเป็นคำพีของมูฮัมูมาแต่นบีอีซาก็รู้เตารอน ด, ด้วยและคำพี์ของท่านเจ้าพ่ก็คืออินจีนใครเป็นคนสอนอัลลอฮ์สอนโดยผ่านยิบบรีน ว่าอิตักลูกูมีนตีนอันนี้เป็นมยิศาส์นะและขณะที่เจ้าเนี่ยถูกสร้างขึ้นจากดินดังรูปนกด้วยอนุมัติของพระ อ, องค์และอัลลอฮ์ก็ให้นบีอีสานี่ปั้นดินให้เป็นรูปนกเป็นโมจิศาส์เสร็จแล้วก็เป่าพอเป่าพวก้าไปนกก็กลายเป็นนกที่มีชีวิตบินได้เลย บีดนีด้วยการอุัตาของอัลลอฮ์นีมุฮีดาดัานแรกแล้วก็ทำให้คนอัคมะกับ อ, บอับอรอสคนที่ตาบอดและก็หูหนวกแต่กำเนิดเลยนะและคนที่เป็นอขอโทษดีคนที่ตาบอดและคนที่เป็นอั บ, บรอสไปถึงโรคผิวหนังโรคเรื้อน รักษาคนตาบอดแต่กําเนิดกับรักษาคนตาบอดเพิ่งมาตาบอดคนละเรื่องกันหมอเนี่ยส่วนใหญ่จะรักษาคนตาบอดก็คือเคยดูเคยเห็นมาก่อนแล้วไปพาเนอะไหมตาเนี่ยมองเห็นพอสิ็แล้วเป็นต้อเป็นต้อก็ไปผ่าไปลอกไปลอกตาก็มองเห็นแต่ถ้าตาบอดแต่กาเนิดรักษาไม่ได้นะ่ะเกิดมาแล้วตาบอดเนี่ยรักษาไม่ได้แต่นบีซารักษาได้นี่เป็นมวยยีสาต บางคนบอกหมอฉันก็โมยีสาทำไมไม่ลอกตาปุ้มหมอเห็นอันนั้นมันมั น, มนมตาบอดแต่เกิดมันมาบอดทีหลังถ้ามาบอดทีหลังนี่รักษาได้แต่ถ้าบอดแต่กําเนิดรักษาไม่ได้นะครับแต่ด้วยอนุมัติของของใครของอัลลอฮ์ทำให้นบีซารักษาคนตาบอดแต่กําเนิดแล้วก็โรคผิวหนังโรคเรื้อนด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และข้าก็ได้ให้คนตายเนี่ยฟื้นขึ้นนี่อันนี้อันนี้ยากสุดแล้ว วุตบบีเอทำให้คนตายฟื้นขึ้นมามีชีวิตนี่เป็นโมจีนัดว่เอสกฟตุนตุบัีอิสโ อ, อีนอนกาอดยดตาหุบ่นบนดดังล่าวนี้เนี่ยขณะที่ข้าได้ยับยัง้งและในขณะที่ข้าได้ยับยัง้งและหันเหวงวานอิสร อ, อีนออกจากเจ้าคือคนที่ไม่ดีคนที่พยายาม ต้องการจะทำลายท่านนาบีอิสาก็พยาก็ทำให้มันหันเหออกไปนะเพราะคนที่ส่งทหารมาฆ่าฆ่าใครนะฆ่านาบีอิสาที่ว่าในครั้งสุดท้ายตามมาไล่ฆ่าเนะี่ยก็คือพวกนี้แหละพวกเยฮูดนี่แหละไล่ฆ่าแล้วเราก็ช่วยเหลือใช่ไหมแล้วก็ยกขึ้นไปแล้วเมื่อเจ้าได้นําหลักฐานอชัดเจนมายังพวกเขาพวกเขาก็ฝ่าฝืน อยู่ในหมู่พวกคนที่กล่าวหาว่าสิ่งนี้ไม่ใช่อื่นใดเลยมันคือมา ย, ยากลอเซอ์ไสยศาสตร์เล่นของมายากลนี่มีสองแบบนะมายากลแบบเทคนิคคือมีอุปกรณ์เคยเห็นนะตื้อตื้อตื้อดึดแล้วก็ปุ๊บปุ๊บ๊๊ดอกไม้ขึ้นอันนี้เราซื้อขึ้นมาเลยซื้อมาแ้ก็ได้อุปกรณ์เนี่ยแต่มันจะมีมายากลอีกประเภทหนึ่งอันนี้พิเศษเขาเรียกใช้ใใช้ยินใช้ยินบังตา อันนี้ไม่มีอุปกรณ์นะอันนี้มันเล่นศย亚洲ไมเล่นของเอาเครื่องบินหายแวบไปไงี้เอาปิรามิดหายถึงก็ไม่รู้มันมีนะคนทํำนะย้ายทําไอ้เทวีเทพีศรีภาพหายเลยทั้งลูกแล้วก็พอเปิดมาปุ๊บกลับมาใช้ยินอ่าแล้วก็อุปกรณ์ก็มีอันนี้ไม่รู้นะอาจจะมีแบบเป็นเทคนิคเดินบนน้าเอากระจกวางแต่ว่ามันมีบางคนไปใช้แบบบางอย่างที่มันดูแล้วเฮ้ยแปลกว่า พอรู้ไหมพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายสมัยสมัยหนึ่งเขียนเอาไว้ในบันทึ ก, ม, ก, ก, กมีนักมียักร์คนหนึ่งใช้ยินในการเอาเอาคอตัวเองนถอดคอได้มันใช้วิธีไงว่รู้มนเล่นกล น, นะนะโดยการเอาคอย้ายไปอีกที่หนึ่งคนก็โอ้โหเป็นคนที่แปลกมากทำได้ไงว่าย้ายคอมันใช้ยินมันใช้ยินในการบังตา แต่คอไม่ได้ขาดจริงเราทะคอขาดตายเรื่องทราบมาถึงผู้ปกครองคนก็แห่ไปดูในเมืองนะอันนี้เขียนไว้ในหนังสือคนก็แห่ไปดูคนนับวันยิงดูมันแปลกันมันมันถอดคอได้เว้ยมันจะกระสือ <c oughs> สุดท้ายแล้วเวลาเสร็จมันไปบริกรรมคาถามันน่าจะเล่นเล่นยินเนีเขาก็รู้ก็เลยส่งคนไป ส่งคนไปรักอิสลามนะตอนนั้นปุ่นใหม่อิสลามก็ส่งไปไอ้นี่กาลังบริกา ร, รกระถาก็ฟับคอเลยคอหลุดพอคอหลุดก็บอกอ้ามึงต่อสิต่อได้ไงตายฆ่าเลยโดนปะห์โดนโดนปะหารชีวิตคุณพูดง่ายคนเนี้ยโดนปะหารชีวิตเพราะเล่นเล่นเล่นศิ ล, ลาศาสตร์อ่าเกิดในยุคสมัยอาบบัซียอ่านั่น อ, นนน อ, อ, อยยันเนี้ยมันทำคือไอ้มายคราบเภทเนี้ยเป็นมยายคราบที่ทําให้คนอ่ะ เขาเรีอะไรนะไปบูชาด้วยไปบูชาไปอะไรแล้วก็คิดว่าเป็นเป็นคนมีอิทธิฤทธิ์นะอ่ะแต่ น, นี่ไม่ยา น, นี้ไม่ใช่มายากรอันนี้คือมวยอีสัตที่อัลลอฮ์ให้กับ น, นบีอิสระว่าอีลาอูให้ตุอีลาฮาวารีนะให้ตุอีลาฮาวาวารีนและจงล้ำลึกขณะที่ข้าได้ดนใจให้แก่อัลฮาวารียินก็คือคนที่อยู่เขาเรียกภาษาวกันนะ คนที่อยู่ในรอบๆท่านนาบีอีสาว่าจงศรัทธาต่อข้าและศรัทธาต่อศาสนาทูตของข้าเถิดพวกเขาก็บอกว่าพกเราศรัทธากันแล้วและโปดและโปดได้ทรงให้เป็นพยานด้วยว่าแท้จริงเรานั้นเป็นผู้ที่สวามิภักดิต่อพ่อองค์แล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องของนบีอีสาเอลฮิสซาลามนะ แล้วก็บเีเขาคือฮาวารีนในหมายถึงคนที่สนับสนุนนบีมอมหัดของเราเนี่ยก็มีซอฮาบะที่คอยสนับสนุนท่านนบีวันที่วิกฤตที่สุดของท่านนบีก็คือวันสงครามอุฮุดนบีนบีถูกมุชลิกล้อมแล้วก็คนเนี้ยมุชลิกลินเนี่ย อยู่ตรงกลางพอดีที่ตอนนี้ทีคอรลิสตีวงมาแล้วโดนร้อมทั้งหน้าหลังเลยนบีอยู่กับกลุ่มหนึ่งแล้วก็ซอฮาบะนบีอยู่อีกกลุ่มหนึ่งไอ้ตัวนี้อยู่ตรงกลางศัตรูนบีเรียกเรียกซอฮาบะให้มารวมตัวกันฝั่งนี้ฝั่งนบีมีอยู่เก้าคนมีเก้าคนแล้วก็รวมนบีเป็นสิบนบีก็เรียกมีสองทางคือนบีหนีขึ้นเขาเลยไม่เรียกปล่อยเลยแต่นบีไม่เลือกวิธีนั้นนบเีเลือกวิธีที่จะเรียกซอฮาบะให้มาอยู่ด้วยกันเพื่อจะต่อสู้ ในรายงานบอกว่าพอเวลาบีเรียกปั๊บเนี่ยเสียงเนี่ยมันไปถึงใครก่อนมันไปถึงศัตรูก่อนเพราะว่าซอ บ, บ้านนบีอยู่อีกทางอีกฝั่งหนึ่งแต่นบีความกล้าหาญนบีเรียกคราวนี้พอเรียกปั๊บเนี่ยไอพวกนี้ก็รู้แล้วว่านบีอยู่ไหนทั้งธนูทั้งคมหอกมาหมดนะเสร็จแล้วก็ถูกกันออกไปไปอยู่ในในหุบเขาแล้วอยู่ในหลุมในหลุมเขาเ อ, อซอ บ, บ้า ที่เป็นชาวอันซอดเจ็ดคนออกไปสู้ทีละคนทีละคนออกไปสู้ทุกคนออกไปและเสียชีวิตหมดเลยจนกระทั่งเหลืออยู่สองคนสุดท้ายซาบินาบีวากอสครับท่านตอลฮาบินอุบายดินละจับมือไว้สองคนสุดท้ายแล้วอยู่สองคนเนี่ยไอ้ที่เหลือเสียหมดแล้ะไอ้ข้างหน้านี่ประมาณสิบอ็ดคนศัตรู้วจับมือไว้สองคนก็บอกอุบายท่านตอลฮาอาลัลลอฮฺจะให้สวรรค์กับท่าน บอกกับนั่นโอ้โหออกไปสู้พอออกไปสู้เนี่ยสิบเอ็ดต่อหนึ่งนะพี่น้องตีไอ้พวกสิบเอ็ดคนเนี่ยกระจายเลยแต่นิ้วหลุดนิ้วขาดนิ้วขาดแล้วก็ท่านซาบิอวากอนก็โดนธนูบาดแผลเป็นแล้วก็สุดท้ายพอตีจนกระทั่งพวกนี้สู้เข้าไปถึงนบีนะครับพอเข้าไปถึงนบีก็รู้แล้วว่าเข้าไม่ได้ก็สุดท้ายก็ พวกซอบ้าอี ก, อกอีกกลุ่มนึงมาเอาบูบักเอยเ อ, เอยอมัตก็มาถึงก็รวมตัวกันอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังว่าซอบ้านนบีเนี่ยปกป้องช่วยเหลือท่านนาบีก็เป็นเหมือนกับฮาวารีนี่แหละเหมือนกับคนที่ดูแลนบีซานะทุกนบีจะมีฮาวารียูนฮาวารีนตลอดของนบีมอมัดก็คือเหล่าซอบ้านนบีที่คอยปกป้องท่านนาบีนะครับอประมาณนี้แล้วกันเนาะสิบเอ็ดมงละนะครับ สองคนไม่เสียนะท่านตอนทาวิบดินละกับซาบินาวกอสก็อยู่กับนบีุบฮานกอฮุมมบิฮมิกาชดอัลลอิลาฮอิลนตัสตัฟิรุกวะตูบูอสลามุอะลัยกุมามตุลลอฮบาะาตุ